อาจจะเป็นบารมีในภาษาไทยนะแต่ภาษาบาลีบารมีแปลว่าคุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด น, นะเพื่อจุดหมายที่สูงยิ่งหรือจุดหมายที่ดีงามบารมีคือคุณความดีที่พระพุทธสัตว์ได้บำเพ็ญจนกระทั่งได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะเป็นคุณความดีที่พระพุทธิสัตว์นะี้ใส่ใจให้ความสำคัญมาก เพราะบำเพ็ญบารมีนี่แหละนะจึงทำให้ผูุ้ชนคนธรรมดาได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าอยพระพุทธเจ้าองค์ที่เรานับถือนะทุกวันนี้เนี่ยนะโคตมพุท ธ, ธะเนี่ยหรือพระโคโดมเนี่ยพระองค์ก็บำเพ็ญบารมีมาเรียกว่านับไม่ถ้วนนับชาติไม่ถ้วนบารมีที่ว่าก็มีสิประการได้แก่ทานศีลในขมะในขมะคือ การบําเพลนที่ห่างไกลาจากกาลจะหมายถึงการออกบวชก็ได้หรือว่าการลดละ ก, กิเลสการครองชีพพรหมจรรย์ก็ได้พรหมจรรย์นี้ไม่ได้แปลไม่มีโคูนั่หมายถึงว่าการที่มุ่งขัดการดละ ก, ก, กิเลสนั้นโดยการถือบวชจากเนธธรมะ ก, ก็คือปัญญานะแล้วก็วิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขา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 การเข้าบรรษาเนี่ยไม่ใช่แค่มาอยู่ร่วมกันเฉ ย, ยๆแล้วก็ไม่ใช่แค่มาอยู่ร่วมกันด้วยดีแต่มาเพื่อจะฝึกฝนนะขัดเกลาวตนเองเริ่มตั้งแต่การอยู่ง่ายกินง่ายอย่างเช่นที่นี่เนี่ย น, นะก็ต้องเริ่มตั้งแต่การตื่นการนอนต้องตื่นแต่เช้าตีสามตีสามครึ่งคนที่มาบทส่วนใหญ่ก็มาจากในเมืองนะ ตื่นสายไม่คุ้ ก, การตื่นเช้าแล้วก็ไม่เห็นว่าการตื่นเช้ามันสาคัญอย่างไรนะตื่นเช้าในที่คือเช้าตรู่เลยนะเช้ามดืดนะก็ต้องมาฝึกกันที่นี่นะอาหารก็อาจจะไม่ถูกใจแล้วนะแถมยังฉันอาหารแค่มือ้อสองมือ้อนะนอกจากนั้นนะก็ยังอยู่ในเสนาสนะที่ไม่สะดวกสบายเท่าไหรนะ่บางกุดก็ไม่มีไฟฟ้า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 ได้รับสิ่งดีงามที่ช่วยทําให้ชีวิตจิตใจสดชื่นเบิกบานควรใช้เทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยเป็นเสมือนหน้าฝนสำหรับชีวิตจิตใจนะทให้ชีวิตจิตใจเนี่ยสดชื่นเบิกบานแจ่มใสโปร่งโล่งเบาสบายนะค ว, ว่าพรรษาเนี่ยหรือวัดษาเนี่ยนะมันก็แปลว่าฝนนะเพนะนะราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากเพียงแค่ทาให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 ชอบนินทาเพื่อนอตั้งใจว่านในภาษานี่เราจะเราจะหยุดบ่นนะเราจะเลิกบ่นที่เคยชอบตาหนิเพื่อนวิจารเพื่อ น, นก็อาจจะตั้งเจติธานว่าเราาจจะเลิกไม่ได้นะหรือบางครัง้งเห็นว่าการวิจารก็จําเป็นแต่เราก็จะตั้งตั้งใจว่าก่อนจะวิจารก่อนจะตำหนิเราก็จะชมตังก่อนนะก่อนจะตำหนิหนึ่งข้อก็จะชมสองข้อ น, นะหาข้อชมให้ได้หาข้อดีให้ได้